โค้งสุดท้ายของเราในค่าคืนวันนี้ครับแน่นอนว่าเราจะมาปิดสายปิดท้ายกันที่ผู้ชายคนนี้ครับ King o ออ h o ก t หรือว่าคุณคิงของเรานั่นเองวันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่คุณคิงได้ยินได้ฟังมาจากญาติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วครับใช้ชื่อเรื่องว่าโรงเตียมแดง มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณคิงครับสวัสดีครับพุ่แจ็คคุณคิงตอนนี้โทรสัพ์มาจากที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ผมมาที่ฉะเชิงเซาครับอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับ<ม>คุณคิงสบายดีนะก็ปกติดีครับแต่ว่าก็มีคัาจมูกบ้างมีอะไรบ้างเห็นเห็นป่วยบ่อ ย, อยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ นะฮะแล้วก็ในสิ่งในสิ่งทีตูนผมได้รับจากทางสยามอินเตอร์แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมเดี๋ยวจะเอามาแจกประกาศให้อ่าเอามาแจกคุณผู้ฟังในเดอะโกสตัวของเราครนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณคิงเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องก่อนหน้านี้ยิงคิงเล่ามานี้คือชิมชแต่เรื่องนี้นี่โอ้โหน่าตื่นเลยครับโอ้หน่าสนใจมากแค่ชื่อเรื่องก็ ก็เปิตามผมแล้วครับโรงเตี้ยนแดงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณคิงได้ยินได้ฟังมาจากญาติๆใช่ครับพี่<อ>ไปเห็นชัดเจนครับ ช, ชัดเจนมากๆเลยฮะโอเคครับเสียงต้องบอกว่าตอนนี้มาแบบฟูลสเกลเลยครับมามาติดตาม <c oughs> ฟังเรื่องนี้กันครับเรื่องของโรงเตี้ยนแดงเป็นยังไงครับคุณคิงะจะต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ เขาไม่แน่ใจว่ายี่สิบปีขึ้นหรือว่าน่าจะประมาณเกือบเกือยี่ส<ะ>ิบป<ะ>ีคือเรื่องนี้มันนานมากแหละท่านี้มันเกิดขึ้นคือปกติแล้วเนี่ยทุกคนเลยคือยายหมดยังมีลูกทั้งหมดสิบกว่าคนครับ<ะ>่านนี้การที่เขามีลูกสิกว่าคนเนี่ยลูกก็จะไปมีหลานหลานก็เป ม, มีเหลนไปเรื่อยพอถึงเวลาวั น, วนรวมญาติอย่างเช่นวันสงการวันปีใหม่เขาก็จะกลับมารวมกันที่บ้านครับ<ะ>แต่ว่าการที่จะกินดื่มอะไรกันปกติเนี่ยตอนกินดื่มไม่ใช่แต่ตอนนอนเนี่ยเราต้องแยกกันนอนครับ เพาว่าทุกคนเนี่ยจะมานอนที่เดียวกันไม่ไหวเน่ยบ้านเราก็ไม่ได้ใหญ่โตเขาก็จะมีการแบ่งไปนอนบ้านญาติอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่ปทุมครับท่านี้ก็ไปที่ปทุมนี่แหละบ้านญาตผมจะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนดังแห่งหนึ่งนะฮะที่แถวนั้นครับเขาก็จ ะ, จะเข้าไปแบ่งนอนกันเนี่ยแบ่งแล้วเป็นอีกก็ยังเหลืออยู่ประมาณเจ็ดคนซึ่งนอนไม่ได้ต้องหาที่นอนกันเขาก็เลยตัดสินใจว่าอาโอเคเดี๋ยวเอกไปหาพวกโรงแรมนอนเอาอืมก็ ลุงที่เป็นเจ้าสองบ้านเนี่ยที่ปฐุมเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยออกไปเนี่ยปุ๊บนะเลีเ้ยวซ้ายไปหน่อยประมาณห้าหกกิโลเนี่ยก็จะเจอโรงแรมโรงแรมหนึ่งมันก็พอนอนได้แหละเรานอนไปก่อนถ้าไปไกลกว่านั้นมันก็ที่สี่กว่าปีที่แล้วครับพี่แจ็คก็จะรู้อยู่ว่าปฐุมเนี่ยเป็นป่าทุนนี้ก็ยังคงมีควาเป็นป่าอยู่บ้างเลยตรงนั้นถูกต้องตอนนี้เขาบอกว่าถ้เกิดไปถึงตรงนั้นแหละเอาเลยนอนเลยนะฮะเขาก็ไปตามที่บอกพอออกมาถึงปุ๊บปักซอยเจอหอยันดังปั๊บ เลี้ยวซ้ายไปก็กลาบไปห้าหกกิโลอ่ะประามาณนั้น<ะ>ก็ไปเจอโรงแรมเนี้ยมันเป็นโรงแรมที่ผมไม่ได้ยกของสูงมาเล่นน ะ, ะแต่ถ้าจะพูดได้เห็นภาพเลยอ่ะมันเหมือนกับสารเจ้าเลยอื<ะ>คือข้างหน้าเนี้ยเป็นเสาแดงแงแล้วทั้งหมดจะทาสีแดงทั้งหมดเลยครับโรงแรมทาสีแดงนะฮะ ใช่ครับคืมันเป็นเหมือนเป็นทำจากไม้ทั้งหมดแล้ว <ul m. S 2> มันเป็นลักษณะของโรงเตียมจีนถ้าเราเคยดูพวกหนังวิทยายุทธ์ไ่อยเนี่ยไดเห็นพวกจอมยุทธเดินไปนอนพวก อ, อย่า ง, งเงี้ยโรงเตี๊ยมอย่างเงี้ยครับครับและคนจีนเนี่ยเขาจะถูกจะแพงเขาเอาแดงไว้ก่อนอยู่แล้วอือืมอันนี้ว่าลักษณะการเข้าไปด้านหน้าเนี่ยประตูด้านหน้าเนี่ยผมต้ออธิบายเป็นภาพคือมันจะเป็นเหล็กลงมาเป็นซี่ซี่ซซซี่เหมือนกับพุกเลยครัถ้าเป็นสีแดงทั้งหมดแต่มันจะมีไอ้ช่องตรงตรงตรงสำหรับคนคุยกันแล้วส่งเงินส่งแจ้งเนี่ยอก็กว้าง ระดับหนึ่งขณะที่ว่าสามารถเหัวล่องมาได้ก็ไปเจออาแปะแก่ๆคนหนึ่งนี่ยอแปะแก่ก็จะนั่งใส่ก็ขอม้าแล้วก็จะลักษณะคล้ายๆกับอาแปะที่ตกปลาลุปั้นเลยที่เราเห็นแต่งสวนเลยครับคล้ายๆอย่างนั้นผม้อมแต่เก้ากั๊กแกก็จะพูดแบบไม่ค่อยเพราะวะํามภาษคนแบบคนคนจีนแก่กอนี้ว่าแปะนี่มีห้องว่างมั้ยเนี่ยแต่ว่านี่มีและเีมีอยู่เจ็ดคนนอนอะไรก็จะนอนไมอ่ะเขาถามว่าจะนอนไหมอ่ะมีสามห้องอ่ะถ้าถามห้องไม่พอเขาไม่รู้ว่ายังไงแล้ว จะมาเก็ดคนแล้วเปิดห้องเยี่ยมไม่ยอมหรอือไงวันก็เปิดทั้งหมดสามห้องเลยแ<ถ>หละเขาก็ว่าะสามห้องก็ได้สามห้องก็สามห้องทางนั้นก็สาห้องเลยก็แล้วกันสมัยก่อนโรงแรมไม่ได้แพงอะไรอย่างลันะลักษณะตรงนี้มันเหมือนโรงแรมเพียงก็จริงแต่มันก็มีความเป็นโรงแรมธชาในตัวผมคงไม่องอธิบายเรื่องโรงแรมสากุลัเพราะว่าข้างๆเนี่ยมันจะมีที่เขาแบบบริการเรื่องอย่างว่าด้วยอมีผู้หญิงมีให้ดื่มมีแล้วก็มาใช้บริการโรงแรมเนี่ยครับ<ถ> ทั้งหมดทั้วเลยนะพี่แจะดในภาพว่าโรงแรมที่เป็นหมายเดินก็ทังปลดเอ็ดแล้วบรรยากาศมีกลิ่นทูบควันเทียนมีสารเจ้าแล้วมันก็แดงไปหมดทั้งโรงแรมแถมโคมไฟยังเป็นสีแดงอมชมพูอีกครับมันก็มึนสลัวสลัวพอยแลแต่ถ้าสมาสมติว่าเราไปมองถึงเรื่องของธุรกิจโรงน้าชานหละไอ้เรื่องไฟอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันจะเป็นตัวดึงดูดอืมนะักท่องเที่ยวครับเหมือนเป็นมนต์อย่างหนึ่ง ที่ว่ า, วางๆสามห้องเนี่ยอยู่ชั้นบนสุดเลยคือโรงแรมเนี้ยจะต้องเรียกว่าเป็นโรงเตเงเี้ยมือยกันนะมีอยู่สามชั้นอืชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยคือลุงผมสองคนเนี่ยก็จะเป็นทหาราที่อยู่ในหนึ่งในสองเล็กสองคนในกลุ่มน่ะเขาก็จะสังเกตนู่นนี่นั่นอ่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้เขาเดนขึ้นมาชั้นหนึ่งชั้นสองอสีมันอาการที่มันเป็นสีแดงมันแดงจึง้งทึมจนเหมือนกับว่ามันแดงเก่ามากแล้วน่ะ แล้วก็ไฟเฟยเนี่ยก็จะมีการประดับประดาให้มากขึ้นให้แบบหลายหลดวงเลยอะสีแดงพยายามช่วยขับให้เห็นทางเดินอย่างเงี้ยหลายหลายดวงหน่อยแต่พอขึ้นมาถึงชั้นสามแกเดินเอามือรูดไอ้ตรงราวหน้าห้องเลยมันเป็นฝุ่นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเฮ้ยมันเหมือนไม่้าความสะอาดมาเลยนี่ว่าแล้ว่านที่แกเดินขึ้นมาชั้นสองชั้นเนี่ยก็จะมีผู้ชายที่บางทีเขาเข้ามาหลับนอยกับผู้หญิงเดินสวนลงไปเพราะว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโรงน้ําชาด้วยจริงนี่วะก็มีคนแซวรู้ผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะ มีควาคิดว่าโอ๊ยทหารนี่จะแบบว่าชอบเรื่องเด็กเรื่องหญิเงเขาก็จะแซว ล, ลงุลงผมลุงผมก็บอกเฮ้เฮ้ยเมากับเมียเขาก็เดินขึ้นไปพอเดินขึ้นมาถึงชั้นบนปุ๊บเนี่ยสีแดงทั้งหมดแดงสดหมดเลยเหมือนกับไม่เคยมีใครใช้งานมาก่อนเลยพี่แจ็คมาเป็นฝุ่นออืแล้วก็มีโคมไฟตลอดทางเดิอนอยู่แค่นิดเดียวและประตูอะครับพ<ช>ี่แจ็คประตูที่จะเป็นพี่แจ็คเคยห็นประตูที่แบบเปิดทางขวาก็าต้องทับประมาณสามทีที 3, อย่างนี้เคยเห็<ๆ>นไหมเคยเคยเขาเรียกว่าบานเสียงไปค่ะ อ่าอย่างนั้นนะคเปิดซ้ายก็พับสามทีดีเปิดขวาก็พับสามทีทีอย่างงี้นะแล้วก่อนที่จะไขประตูเข้าไปเนี่ยจะเป็นก้อนแบบก้อนที่มันตัวตัวตัวตัวกุญแจตัวกุญแจมันจะเป็นตัวําแล้วกระหอเหล็กมันเนี่ยที่เป็นตัวคล้องเนีจใหญ่ๆนั่นแหละเขาจะองใช้ยังไงกับครับพอไขทีพอมันเต็มหลุดเขาจะพั ง, งนจนมันกระแทกประตูเอยอ่าเขาก็ไขเข้าไปปุ๊บพังกุญแจออกแล้วก็เปิด เส็จปุ๊บเอาของไปไว้ว่าใครจะนอนห้องไหนบ้างแต่กลับมารวมกันห้องเดียวแล้วนั่งดื่มกันเหมือนเดิมเพเขามีเหล้ามีเบียร์ติดมากันด้วยไงแต่ว่าในโรงแรมไม่มีนะโรงแรมมีแต่เหล้ายี่หอหนึ่งที่ที่คนแบบคนจริงๆเขาชอบเกิบกันอ่ะเขาก็หานั่งกินอะไรไปกินมาปุ๊บป้าของคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบความส่วนตัวไงก็ยอมรับวันนึกเห็นแก่ตัวแหละเดี๋ยวฉันเอาคุณแจไปก่อนคนเดียวแล้วฉันก็จะเข้าไปนอนคนเดียวแล้วล็อกประตูไม่ให้ใครเข้าเลยไว้าวันนี้เมาเดี๋ยวมันต้องนอนคนดังแน่นอน แกก็โอเคทั้นขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะมไม่ได้พูดแล ว, ว่าตัวเองจะนอนคนเดียวแต่กะว่าเดี๋ยวจะปิดประตูแล้วนอนเงียบแกลบเลยคือเอากุญแจามาเช็ดเดินมาถึงปุ๊บไขประตูห้องเองที่มาคิดเตอรไปทีแลก็ล็อกไว้ไขตั้งเปิดเข้าไปบรรยากาศในห้องนะพี่แดบเป็นห้องแดงทั้งห้องเลยอแล้วมีโคมไฟสีแดงอยู่ดวงเดียวตรงกลางาอีกดวงหนึ่งตรงหัวนอนแล้วจะมีตู้อยู่ตู้หนึ่งที่ ติดเข้าไปที่มุมห้องแล้วถ้าการมาตู้เสื้าเนี่ยถ้าวางริมถ้าวางคิดกาแพงก็จะเป็นราบครับแต่ถ้าวางเข้ามุมเนี่ยมันจะเป็นวางตัดแฉงแอ่ะอืซึ่งเป็นรอเฉียงแล้วมันจะเหมือนกับวางอัดอาเจียนั้นแะแต่ว่าผมคิดว่าคงไม่ใช่คง ม, มีเหตุผลด้วยบางประการนะแล้วก็จะมีแบบเป็นม่านม่า น, านรูดแบบทีเดียวบบอ่ะคิดไปเลยทั้งบานทั้งสามชิดเลยนะอเขาก็เลยปิดหนึ่งคือทางขวาสองคือทางซ้ายข้างทา ง, างาน้ําแต่ตรงข้างหน้าเนี่ยเขาเปิดไว้เพราะว่า ข้างบนมันไม่มีตึกอะไรมัหอยู่ว้างๆแล้วเขาก็อยากที่จะมองไปเห็นไฟถนนบ้างอะไรบ้างเนี้ยเขาก็เปิดไว้ทีนี้ไอ้มุมตู้เนี่ยมันก็จะถูกไหมี่อ่าป้าผมก็เข้าไปอาบน้ำอาบๆๆๆเสร็จปุ๊บขณะที่แกกำลังเช็ดเช็ดหัว่อนอะพันเตัวพัตัวสีแดงนที่บอกเปนแดงหมดเลยพันตัวอดงเลยนะเนี่ยอช็ดตัวแกก็ห่อกห้ตัวมาแกก็เช็ดหัวเช็ดหัวเดินออกมาแต่ลังกลมกาดตาลขึ้นมาเห็น ลุงผมคนหนึ่งแกขงเข้าใจว่าเป็นลุงผมเพราะว่าแกจะที่เตียแล้วก็ผิวดำดำยืนหลบอยู่ตรงซอกตูมดึมดๆแล้วก็ยืนเห็นตัวฟันกับต า, าขาวคื อ, อ, อ แ, แกท้ำลื่นขึ้นมาเลยเดียวแล้แกก็เอ้าที่อสเหรอคนที่เล่นกับเราอยู่เนี่ยแกก็บอกอุ้ยทำไมไม่ลงอีกวะฉันตกใจเลย คือพวกป้าๆผมเขาจะพูดแก่ฉันอย่างไี้แกมันเรื่องอะไรฉันตกใจจนที่แกแล้วฉันหมดจังไลายไปกระบวนสอด่ำคว่ำแล้วหลังลงนั่งที่เข้าเตียงแองไอ้หัวเตียงเนี่ยก็จะมีไฟคงไฟสีแดงซึ่งเป็นคงไฟเปิดตายอะไม่มีตรงทปิดเลยถ้าจะถ้าจะปิดคาว่ามันคงต้องสัสสาวะอยู่ก็ต้งปัสสาวะตรงไหนสักที่หนึ่งเขาไม่มีสวิตต์แกก็เล่คกรเชหัวเช่นไรแล้วก็แกไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนเพราะหู แกก็ทับเข้าหมไปเลยคือแม่เข้าห่มมาทับตัวแกอะแกบอกว่าไม่รู้ใครนอนระบ้างเลยแกก็นอนลงไปนอนตะแคงข้างขันหลังให้นานแค่ไหนไม่รู้ตีนแข่งแท็ก <c ười> แกบอกว่าเอ้ยดิเมาแล้วบ้าเวลยแต่แกก็นอนนอนตะแคงไปตะแคงไปตะแคงมาพอจะหลับพอจะหลับปุ๊บเตียงที่แกนอนอยู่มันเหมือนมีคนกระโดดขึ้นยุ๊งแกก็ยิ้มมุ้งขยงขยงนิดนึงเนี่ยก็ลืมตาแล้วบอกพรชะไม่เล่นนะออื นิจฉ์อยู่ขหลังแกออแกว่าเสียงมันเลอะไม่ใช่ละเหมือนเส้นหมอ่ะใช่แล้วแกก็รู้ว่าน้องแกเนี่ยเป็นคนที่ไม่คึ้ลุงผมคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยพูด <c oughs> น้อยมากครับเ <c oughs> มายังชนิที่เราเรียกกันว่าเอาไม้แย่ยังไม่กัดเลยอะ <c oughs> <c oughs> เราใช้ันประทำอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วจะจะมาทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แนละอืม <c oughs> <c oughs> หันอนที่มันจะมีโต๊ะเล็กๆอยู่ใต้ขอมไฟแล้วนะแกเห็นกุญแจอะไรกันนี้ขึ้นได้่หอเออจะล็อกในห้องอยู่คนเดียวที่ว่าก็ใช่อแกล็อกแล้วอ่ะใช่อแกก็บอกเฮตัวแข็งแล้วเอาแข็งเสียงกันหลังมาดังขึ้นดังขึ้นมือนอยู่ข้างหลังคอแกแกก็นอนตัวแข็งเลยแหละแล้วคนที่นอนเหยียดตรงอะวิจิตแต่ไม่ยอมหันหลังอ่ะเขาจะค่อยๆก้มไปมองตรงปลายเท้าตัวเองแล้วจะพยายามเฉลียงเฉียงคอให้มองไปเห็นด้านหลังอ่อ๋อเขาบอกไม่เห็นอะไรแต่มันยัมีเสียงแบบ แต่ก <anto> ็เลยเอาไงดีวะตัดสินใจแล้วว่าถ้าคิดว่าเป็นผีหรเป็นอะไรกระช่างขอาหน้าลงเลยไม่เห็นเลยอันนี้คนที่นอนอยู่สุดขอบเตียงแล้วอ่ะอืมพอเขาตัดสินใจคว่ำเนี่ยหน้ามันก็จะเลยขอบเตียงไปห่อยแล้วตาข้าเลยจะเห็นที่พื้นไอ้คนตัวดำๆคนนั้นนะพี่แจ๊คมันนอนอีกเลียข้างๆอยู่ข้างเตียงป้าวแล้วมันก็นอนชิมไว้แล้วมึงนะ ตาโตโตอ่ะขามบอกว่าเห็นชัดๆว่าไม่ใช่ดําจากเงาแหละเป็นดาเหมือนผิวหนังเหมือนตดนไฟไหม้อแกก็เร่งตัวขึ้นเลยแล้วก็ติดตัวไปอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าใครคนนั้นมันก็ขยกับขยบขยบขยบุกขึ้นมาแล้วโอ้บรรลุบรรลแกก็หันเข้าไปคาประตูคาประตูแล้วอยาพยายามละกอน่ะกอนมีตั้งสี่ะอันแถมยังมีไอ้ไม้แบบไม้ขั้นลงมาเหมือนประตูจีนสมัยก่อนอ่ะอออ อ่าแกก็บอกโอ้โหฉันก็ไม่รู้ว่าจะจะล็อกอะไรอยันต้องหนาขนาดนั้นก็แค่ญาติเองแกก็หูพยายามมากรอรออยู่แล้วมือสั่นเลยตาก็มองไปเลยแล้วขายกเขยิขย้ทางข้างเียงเลยเดินออกไปเตียวมาแล้วแกพยายามเปิดจนเปิดได้แล้วถับประตูวิ่งออกไปแล้ววิ่งอกไปถึงปุ๊บมือก็ลุกประตูไปเลยแล้วสองห้องที้กำลังล็อกอยู่อ่ะอ๋อมาแล้ววิ่งอกไปข้างล่างทำไม่ด้ตัวนั่นอ่ะไปนั่งไปนั่งเสร็จปุ๊บสมัยนั้นไอ้เรื่องมือถือมันยังไม่มีแต่ไอ้โทรศัพท์ประจำโรงแรมม เขาก็บอกว่าขอโทรได้ไหมแต่ครับว่าถ้าโทรเขานอกเสียตังถ้าโทรเข้าไม่เป็นไรป้าผมปรบตกวข น, ขนหนนนี้แหละแลมวก็โทรไปนี่เขาก็โทรพอโทรเสร็จปุ๊บเนี่ยนา น, นเป็นคึนชั่วโมงได้ยี่าีคึชั่วโมงก็จะมีคนรับคนรับก็คือลุงผมคนนี้คนที่ป้าผมเข้าใจว่าไปอยู่ในหองต่งแดนรับแกก็คุยแต่แกบอกลงมาหาพี่แบนี้เลยแกอะไรพี่เล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว้ยฉันอธิบายให้ดูกะลมาก่อนอจะโจวีทุกคนนะ แฟนแฟนของลุงผมอะซึ่งเขาเป็นวัยรุ่นอยู่นะตอนนั้นอืม mm hmm. อันนี้ไอ้ความเป็นวัยรุ่นเน่ยพี่แจ๊คเขาก็จะมีจริตจักรแบบว่าไม่ค่อยเข้ากับญาติเราที่เป็นผู้ใหญ่เขานึกจะนอนกับลุงผมเขาก็อ้องนอะคือห่างกันเป็นยี่สิบปีอะครั บ, บ <c oughs> ลุงผมก็เลยว่าอ่ะงั้นก็ปล่อยเนะี่ะปล่อยปล่อยอ้อมนอนไปเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันดีกว่า <c oughs> เขาก็ลงลงลงไปถึงปุ๊บไปถามพี่เป็นไรไงกับเราเราเรากันไงนั่งกันอยู่ประมาณสองชั่วโมงได้ไหมพี่อ้อนวิ่งลงมา เขาทำไปเจะตัวเหมือนกันอืมแล้วก็มานั่งแบบเหมือนคนเสียสติอ่ะแกก็เลยขายไม่ทำํำเฮ้ยใครติดเหล้าติดอะไรลงมาบ้างวะไม่มีใครแต่คนเลยไม่ทําแปะ๊ะอี่ล้าขายไปเลยนี่นี่อย่าลืมนี่นะจุด ๆ, ๆเราจะกิ็นคนจีนชอบกินเนี่ยได้ได้อะไรเอามาก่อนก็ได้เขาก็ามากรอกปากบีบบีบเขาจะไม่กินแล้วก็บีบบีบให้กินจะรู้สึกเหมือนแบบมันตึงๆแล้วมันมคนไม่เคยกินนะเขากินเข้าไปนิดหน่อยก็ตึงๆก็เริ่มขายลงอ จะถามว่าเจออะไรเขาบอกว่าตอนที่หลับอยู่อะ่ะแกกําลังเหมือนกับคนเคยนอนกอดแฟนแล้วพี่พี่แกไม่ไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มมากมายอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มเมาไงอก็เอามือเรื่อมไปจะไปกอดลุงผมคนเนี้ย่าไม่เจอจเ็้ามือคําค้ำเพราะว่าเขานอนบนเตียงกันส่วนเพื่อนยญาญาที่เหยียเมานอนกับพื้นจําได้ว่านก่อนนอนเป็นเงพอเอมือคําไม่เจอก็ลืมตาไงลืมตาเสร็จกูก็ รู้ขึ้นนั่งเห็นในห้องเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยแต่พอรู้ขึ้นมาเนี่ยตรงเตียงเลยมันจะตรงกับห้องน้ําพอดีอตรงข้าง้างข้างเตียงแล้วก็ลงมาแล้วค่อยขาลงเนี่ยมันตรงกับห้องน้ำพอดีก็ใจเห็นผู้ชายคนหนึงผิวดวําอือกําลังนั่งตักน้ําในอ่าง ล, างล้งก<อ>้นแหละมาลาดหัวตัวเองออจะนั่งขหลังเลยนะ<อ><อ>ต่ออเสือ้อเขาก็คิดว่าเป็นลุงผมคือแฟนเขาเพราแขก็ผิวดนะําแล้วคนนั้นก็แต่งลอง ต, ตรงเหมือนกันครับเขาก็เลยว่าพี่รอน จีนวทำอะไรนั่นแะทำไมเอานา้ํางแางข้นมาล้างหัวเ <strom> มาแล้วเพีย้ยนนันสติไม่ดีเนี่ยก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ยัเอ า, าล้างด่าหัวอยู่ก็มีเด็ก จ, จากผู้สายคนนั้นแหละแกก็บอกเออเมาแล้วเพีย้ยนเลยเลยครับอไม่เป็นไรเดี๋ยวอาบน้าด้วยที่ไหนกม็มีใครอยู่ละต่าประษาหนุหนิงเราคิด<อ>ว่าจะอย่างนั้นคว้าพยัคฆ์ตัวมาได้ถอดเสื้อผ้าเสร็จลุกพยัคฆตัวเดินเข้าไปข้างในห้องน้า กำลังจะปิดห้องน้ำพี่จะตัวแนละ้วเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วปิดประตูรับเข้ามานะแต่ยังไม่ได้ใส่กอนนะเสียงขันข้างหลังเสียงขันข้างหลังนั่งก็คือเหมือนโยนไปกระแทกกนะาแพงเลอแต่กก็หันได้มองมือจับกอนอยู่<ถ>ไอ้คนที่นั่งขังหลังอยู่มยยันก็ค่อยขยโยแล้วหัวสัน่นๆนะอ <laughs> หันมาหันม า, ห, นมาหันมาชัดขึเรื่อยๆไม่ใช่หน้าลุงแกไม่ได้ไม่ใช่หน้าแฟนแกจึงก็รี้เข้ามา เข า, าค่อยลุกลุกลุกทัท่าลุกเดินจะเข้ามาหาแกตัวนี้เป็นไห้เหมือนผิวหนังเหมือนไฟไหมเหมือนเลยพี่แจ็คครับแกเพื่อเลยแบบตกใจวิ่งลงันท่าภาพอย่างนั้นทุกคนไม่มีใครนอนเลยก็จะมีพวกลุงผมเนี่ยเขาก็ตามมาจ่าเขเนาะใส่เสื้อแขนยาวทหาร น, นะตัวมาเขาก็เอาคุมให้สองคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งกินเหล้าล้างข้างในก็ะดาที่มันเป็นแบบที่เขามีผู้หญิงให้บริการเนี้ยออือแต่ว่าเราไปกันทักลุ่มนี่นแหละก็ไปนั่งกินกันกินไปกินมาแล้วถามว่า ทิดเนี่ยมันมีอะไรไหมเด็กพวนี้เขาก็ไม่ตนใจว่าเขาไม่ทํางานโรงแรมอยู่แล้วเขาก็แค่เป็นคนที่ไปใช้บริการช่วครั้งชั่วคราวมีแคื์เขาไม่เล่าทังบอกพี่บอกมาก่อนว่าพี่ไปเจอที่ห้องไหนอลุงผมกําลังจะห้าปักบอกผู้หญิงเนนั้นชวนมาฉันสาวใช่ไหมล่ะโอ้โหเออเออแต่กอือใช่ทําไมเหรอเคาให้เล่าเล่านเล่าดี๋ยวพี่ให้กังครับ ได้ที่ไม่้องให้ต่างกันพี่แคงยิ้งหนูก็พ อ, อหนูจะเล่าเลยนะพี่โรงแรมเนี้ยนะข เ, นยเขาเรียกเขาวัยแปะไ อ, อแปะเนี้ยมันชอบให้แขกที่มาหน้าใหม่ใหม่ขึ้นไปนอนชั้นบนไม่ถิงคือเลยแต่ได้มันไม่คืนตังค์ให้หรอกอขาถามว่าแล้วมันคืออะไรคือร้านหนูเลยเคยมีเด็กที่มาจากจังหวัดหนึ่งเนี้ยเขาก็นักดีนะอืแล้วก็มีแขกมาติดหลายคนเลยน้องคนเนี้ยมีแขกติดหลายคนเลยแต่จะมีไอคนเนี้ย มันเชียวแล้วชียวื่อคือขอให้น้องคนเลิกแล้วมันจะแต่งงาน<อ>จะเอาเป็นลูกเป็นเมีย<อ>น้องเขาก็ละปากอ่ะคือเป็นอาชีพของเขาขเขาก็แบบวา่าป่าหวานไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เลิกสักที<อ>วันที่จุดไค้แม็กซ์คือมันบอกเขาว่าจะเลิกถึงไม่เลิกถ้าไม่เลิกมันจะการตัวตายน้องเขาบอกว่าพี่อย่าทําเป็นต ล, ลกพอน้องเขาเสร็จธุระอะไรเสร็จเขาก็า เ, าเดินลงมาเลยคือไม่แย<อ>แสรรอืปรากฏว่วาผู้ชายคนเนี้ยเอาน้ํามันพระตัวเองแล้วเผาเดงอยู่บนชั้นสามไฟลามไปะเจาทั้งห้องเลยพี่จ๊ะ ใช่น้องคนนั้นเขาถามมาคํานึงพี่ไม่สังเกตบ้างเหรอว่าชั้นสามมัสีตดอยู่ชั้นเดียวแต่ไม่เคยมีอะไรที่เป็นเรืความสะอาดเลยนะครับพี่ไม่ว่ามันตกกับ ป, ปุกม้างเหรอืมเขาอืมน้อก็เลยเป็นเรื่องที่รู้กันว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมนี้วันแ้กผมได้ถามสิ่บาตรเวดีเพราะรู้สึกว่าแกจะอยู่ แ, แถวโน้นเลยนะนนถามว่าโรงแรมนี้ชื่ออะไรก็โถไฟคงจะไม่รู้เพราะมันผ่านมานานแล้วมันปิดมานานแล้วนะอืม เนื้อแต่งกองอแงเนี่โอ้เรื่องสั้นๆเลยวแบบอ้เฮ้ยนกจเลยอ่ะเออเขาคือเขาเจอจากภาคแบบอยู่ตรเลยเพราะช็อตของป้าผมที่ผนอนอยู่คนเดียวแล้วแล้วออะไรอย่างเงี้ยอ๋อนะคือหลังจากเหตุการณ์ที่เจอนะตอนนั้นก็คือไปนั่งดื่มนั่งกินกันก็คือไม่กลับไปนอนครับโว้ยลุงเตี้ยแดงไม่านอนเลยโอ้นากลัวคือ อูชอบแรกที่เจอนะคุณป้าเขาก็ลืมไปว่าเอ้ยฉันเอากุญแจมาใชห้ <c oughs> ชองอยู่คนเดียวเพราะอาจนะถือว่าการเวลามันผ่านไปแป๊บหนึ่งบางทีลืมไงเออไม่รู้นึก ว, ว่าเป็นเป็นเป็นน้องเป็นอะไรเนี่ยเอเข้ามาในห้องก็ไม่ได้คิดอะไรูอยน่ากลัวมากเลยอะ่ะใช่ใช่ แล้วพูดถึงการอยู่ห้องในี่ยนะพี่แผมขอแถมนิดนี้นหนึ่ ง, งตั้นเลยที่ผมเพิ่งจะโพสขึ้นหน้ากระดานเมื่อไม่นานเดี๋ยวจะฝากรูกไปให้ดีด้วยพี่แกผมถามพี่อย่างนึงว่าถ้าพี่จะต้องย้ายห้องไปอยู่ที่ไหนสักที่ยนงไงนะแล้วก็อื่นพี่เข้าไปดูตามห้องน้ำตามฝ้าอะไรเงี้ยแล้วมันมีไอ้ดวงที่มันปรากฏขึ้นมาคาบความยาวขนาดถึงก้อนๆแล้วมันคดมีเว้นช่วงไปอีกช่วงหนึ่งซึ่งเราวัดจังหวะขนาของสจุดเนี้ยสองดวงเนี้ยสองลำดวงเนี้ยจังหวะพอๆกับคนนอน แล้วมันก็จะมีเหมือนคราบเลือดไหลลงมาแล้วมีเส้นผมแห้งๆติดอยู่ด้วยกันน้ำเหลืองนะแล้วฝ้าอีการข้างหนึ่งมันเหมือนกับว่าโดนตัดแล้วเปิดออกอ่ะเป็นพี่พี่จะรู้สึกว่ายังไงครับผมเอาคือไม่ต้องตึกเป็นเเปเป็น็นนถึงขนาดนั้นผมเนี่ยถ้าสมมุติว่าสมัยก่อนผมก็อยู่อ่าอพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรอย่างนี้เหมือนกันเวลาเข้าห้องไปใหม่ๆนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มัน สังเกตแค่นิดเดียวมีคราบนิดเดียวผมก็ไม่เอารเลยนะไม่ต้องถึงขนาดนี้นะไม่ต้องถึงขนาดว่าโอเป็นดวงไม่คล้ายกับรูปร่างคนแล้วก็มีความผิดปกติของฟ้าผมก็ไม่อยู่แล้วนะอ้แต่ทุกคนนี้ผมอยู่ตรงนั้นตรงที่ผมว่าเนี่ยครับแล้วคือพอผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็มาสังเกตว่าเออเว้ห้องนี้มันเหมือนไม่เคยมีใครแบบ มันแตะมาต้องนานแล้ว <stabbed S 2> แต่เราก็พยายามคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แต่ผปลกใจตรงที่ว่าค้าบคือผมเป็นช่างวิจัยุณ<อ>จะมองออกว่าอืออันไหนเป็นสีถ้าไหนเป็นคราบน้ําถ้าไหนเป็นเน ล, อออลือดเรามาวออหลังจากที่มันเป็นสีหรือว่าเป็นคราบน้ําที่มันไหลมาจากฟ้าไปดานเนี่ยคือถ้ามันลงมาติด ก, กํแาแพงเป็นเวลานานแล้วเช็ด ย, ยังไงก็ไม่ออกหรอกครับแต่ถ้าเป็นเลือดเนี่ยยังไงมันก็ต้องออกเพราะกระเบือ้องเหมือนกับกระเบื้องมันลื่นถูกต้อง ผมก็เลยตัดสินใจเอาที่ชู่เนี่ยชุบน้ำเนี่ยไปยกมือว้ว่าใช้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมขอลองดูหน่อยนะอะผมถูปรากฏว่ามันออกแล้วมันเป็นค่าสีน้ําตาลอยู่ในป<อ>ีกมันไม่เป็นสีเป็นน้ำตาลเหมอ น, นแงงโอ้ไม่ไม่ออกแต่ยังดีกว่าใช่ไหมใช่<อ>แล้ววันแรกเลยที่ผมย้ายเข้ามาที่เนี่ย<ภ>ผมบอกกับแฟนว่าให้เรียกน้องน่ะมานั่งด้วยกันเขาถามว่าเรียกทําไมผมก็บอกว่าเอามาลองทําอะไรกันตักอย่างนี้ ยืมเป็นยังไง <c oughs> ผมก็ลั่งเล่าเรื่องผีกันครับ <S <S ในขณะที่เราเล่าเล่าเรื่องผีกันอยู่เนี่ยเราก็ อ, อยากจะดูนว่าเป็นยังไงผมปิดไฟหมดเลยน ะ, ะนั่งเล่าเรื่องผีกันเสียงใน้องน้ำมันดังสามที <S <S ใแห้องน้ำผมอะ่ะชื่อผมนั่งนอยู่ในห้องไมมีใครอยู่ในห้องนแล้วนะนะนั่งกันอยู่กลางห้องเนะี่ยแล้วก็มีเสียงอไรอยังเนี่ยซึ่งมันผมนั่งอยู่แล้วมันเหลือมุมหน่อยเดียวอ่ะแต่มันเหมือนมันอยู่ข้างๆผมเลยมันสุดดัง สามคนนั่งมองหน้ากันหมดผู้ชายผมนอนหลับไปแล้วมไม่มีใครพูดอะไ ร, รทั น, นี้ผมยังไม่ได้เอากระติกน้าร้อนมาในวันนั้นผมก็เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีรถบัพพอไงเขาก็จะแบบว่าเฝ้าอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็อบอกเออีไปขอน้าร้อนให้พี่หน่อยเลยเดินไปชงกาแฟดีมันก็ขายบรรยากาศไปหน่อยไงเขาก็เดินออกไปชงกาแฟ ตอนแรกที่เดินออกไปพี่แจคือผมได้ยินเสียงแล้วว่าห้องข้างๆมีคนมาแล้วเปิดประตูปุ๊บคุยกันปิดตังตั้งไอ้ฝังฝั่งทางซ้ายผมที่ผมนั่งเอาหลังพี่กำแพงอยู่มันมีเสียงเหมือนคนสีนไข่อะปะปะปะปะไมเหมือนคนคุยกันเหมือนกำลังทำับข้าวาเงี้ยแลเออเว้ยผมก็ยังอุ่นใจว่ามีคนอยู่ห้องกลางแต่ว่าหลังจากน้องแฟนผมเดินออกไปแล้วเขาก็เข้ามาเขาเดินมาหน้าซิดเลยนะอืมเขาบอกพี่เมื่อกี้ที่เรานั่งกันเนี่ยเราได้ยินเสียงเหมือนเหมือนกันใช่ไหมก็บอกเสียงในห้องเหรอ เขาบอกไม่ไม่เจ๋งค่างห้องหละอออเออทำไมคนปิดประตูดงังดังเลยก็เขามากันแล้วนี่น้องผอบอกมันยังล็อกอยู่เลยตอนได้สองคนอืมอืมโอ้โหผมก็เลยเดินรอกไปดูรปรากฏว่ากุญแจมเป็นถนิมและพี่แจ็คเหมือนไม่ได้ไขมาตั้งนานเลยทั้งสองฝังในขนาดห้องผมอยู่ <S <S อ่ะแสดงว่าไม่มีคนอยู่มานานไม่มีคนมาที่นี่นานไม่มีคนเคยไขห้องนี้นาน ใช่ครับเพราะว่าประตูเลยผมรู้เลยว่าถ้าฝนสาดเนี่ยฝนสาดเขาถึงแน่นอนและคุณแจเลยต้องตากตากฝนมานานมากคุณคิงกมันจะบอกว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ในห้องน้ําเนี่ยใช่ใช่ไหมบางคนบอกผมว่ามันเป็นภาพจากหลังคารู้อ่ะผมอยู่ชั้นสองแต่ชั้นสองเสร็จปุ๊เนี่ยข้างบนมันก็ต้องเป็นผ่นพื้นแล้วก็เป็นปูนเจทับมันถึงจะเป็นชั้นสามใช่ และน้ำมันจะรั่วมาจากไหนอะนอกจากน้ําจะรั่วมาจากข้างบนเลยคือหมายถึงว่าข้างบนมันจะต้องมาจากทะลุทุทุแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับพื้นทะลุเพรา้าเขาคงไม่อยู่กันแน่รอนอืมคือถ้าพื้นปูนมันทะลุมันมันทะลุเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะทีนี้ท่อน้ํำท่อน้ํามีปัญหาไหมฮะท่อเราไม่ดีครับใส่น้าได้ปกติเลยอืม รังน้ําก็ไม่มีไปอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วมันคืออะไรแล้วมันเลี้ยงช่องคือฝ้ามันเป็นกันเรียกมาพี่แจ๊คแผ่นเรี้ยงมาเป็นแผ่นทั้งห้องเลยจนว่าจริงไอ้ตรงนี้ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยทางย้ายมันทางขวามือเลยอ่ะมันมีรูที่ตัดกว้างขนาดคนสองคนเข้าพร้อมกันได้แล้วมันเอาแผ่นแบบแผ่นเศษเศษมาแปะๆๆไว้ชั่วคราวว่ามันเปิดยึดไปทําอะไรอ่ะมองรู้ใช่ไหมครับว่ามีการซ่อมแซมตรงบริเวณฝ้านี้ใช่อืออ่าถ้าเราลองจินตนาการลองจินมากันได้เล่น ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องห้องนี้ประตูไม่สามารถเทียบพันเข้ามาได้ก็ต้องใช้วิธีการขึ้นซ่าแล้วก็ต้องเจาะซ้าแล้วก็โรยตัวลงมาเอาอะไรบางอย่างออกไปจากห้องนี้ใช่แล้วที่สำคัญพี่แจ๊คตั้งแต่ที่ผมเข้ามาอยู่ที่ห้องเนี้ยครับปกติตรงอื่นก็จะมีคนเดินอยู่แม้กระทั่ง อะไรก็ช่างอะ่ะเพราะตรงนี้มันจะมีทั้งรายวันและรายเดือนไอ้ชั้นบนสุดมันจะเป็นรายวันไงครับครับชั้นอื่นก็จะมีคนเดินไปไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสามชั้นสี่อือแต่ไอ้ชั้นสองของผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นมีใครขึ้นมาแม้แต่แมวตัวเดียวเลยเงียบปิดแล้วไม่มีใครอยู่เลยทั้ห้องโดยเฉพาะไอ้ห้องขนาดห้องค่างๆขงผมเนี่ยก็ไม่มีกุญแจประตูมีแต่ห่ามันคืออะไรอพี่โอ้โหคือไม่อยากจินตนาการไปถึงขั้นนั้นไงแตา่ มันมันมันทําให้เอาคิดมันทําให้น่า ค, คิดมากว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สีอย่างที่คุณคุณคิงบอกครับคือสีเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เอาผ้าชุบน้ําเช็ดยังไงมันก็ไม่ออกใช่ถูกไหมยังไงเป็นตายอดีมันไม่ออกแน่นอนใช่ถ้ามันไม่ใช่สีอะยังไงมันก็ออกใช่ครับเพราะความเหีียวมันไม่พองเลมันจะเลือดมาแงแง่งแล้วเหลืองแง่งงี้เอาผ้าชุบน้ําเช็ดขยี้สกบางทีมันก็ต้องออกแล้วไม่มากก็น้อยที่มันออกแล้วมันปิดมา และไตรงที่ว่าเป็นคาบน้ำหยดลงม า, นะ า, บบางแหละถ้าสังเกตรูปที่ผมถ่ายแนละ้วงหน้าเฟินี้ดตะีต้ใกล้ๆยังมีเชืผมติดด้วยนะโอ้โหแล้วแล้วคุณพยังอยู่นี่เหรออยู่ครับทุกวันนี้ก็อยู่หรออยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาทุลาเฉยจริงๆผมยังอยู่ที่ห้องนั้ น, นแหละแล้วไม่ไม่ไม่ย้ายเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงแต่ว่าอผมก็พยายามเก็บทั้ห้องให้ดึกที่สุดอะแล้วก็อาบน้ํานอนอาบน้ําก็ไปเจอเชื้อแล้วตอผมอาบผมก็ก็ยู่ซ่อนรอบระตูอะ มาเดี๋ยวนะะผมผมพยายามดูดูรูปนี้อยู่นะฮะที่คุณคิงส่งมาอันนี้คือรูปผนังที่บอกว่าเหมือนเป็นคาบอะไรมันไหลลงมาอันนี้คือตอนที่ถ่ายมานี่คือยังไม่ได้เช็ดใช่ไหมฮะยังไม่เช็ดครับอ่าหลังจากนั้นเช็ดแล้วเนี่ยคาบนี้ไม่มีแล้วมีครับคือผมเช็ดออกไปแค่ส่วนเดียวแล้วจะเอาปล่อยไว้ทุกวันเนี่ยเผื่อว่าใครอยากจะมาเยี่ยมชมวะใครจะไปดูก็เพื่อนผมเล่าให้ฟังเนเผื่อใครอยากมาเยี่ยมเยี่ยมชมก็จะได้เห็น ผมก็ยก เ, เปิดเอาไว้แล้วเวลาที่อางน้ำให้ที่บรรยากาศแบบว่าพี่แจ็นึกภาพว่ามันจะมีเฉลียงว่ามันหน่อยนึง <S S S ใ, ให้เราปังกันให้ล้ากฝักบัวไม่กัได้นอกด้านนอกท<ช>ี <ๆ S 1> ่บรรยากาศเขาทาเหมือนโรงแรมแล้วเขาปล่อยให้รให้เช่าหลายเดือนด้วยท<ช>ี<ช> น, นี้ในระหว่างที่เราอาบเ่ยเราก็จะมีความคิดว่าไอ้ฝั่งหนึ่งจะโคก่ามีใครมานั่งเพือ่อวะ พอเราหลังีเราเ่นจะโคเรามีความคิดไหลตรงนี้มีรขมันยึหยย น, นหลบอยู่เพราะมันเป็นได้ฟินลิงมากพี่โอ้โหโอ้อย่าใช้คำฟินลิงเลยวมันจะทำให้จิตตกแล้วคุณคิงนะเดี๋ยวนะผมจริงในว่าผมเป็นหมดแต่ผมพยายามให้กำลังไขทุกคน<อ>ว่าอย่าไปกลัวครับผมกำลังมองตัวในส่วนของเพดานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเหมือนกับคืออันนี้ผมมองไม่ชัดผมมองว่าเหมือนเหมือนเป็นคาบเป็นคาแค่คาบน้าทาให้มันเปลี่ยนสี แต่ถ้าไปมองกระชัดนี่คือคุณคิงกาลังจะบอกว่าตรงส่วนเนี้ยคือมันมีการเจาะ อ, ออกไปแล้วเป็นรูปประมาณขวามือขวามือของรูปนี่เนาะวีแต่ผม ไ, ไม่ได้ถ่ายมาเดี๋ยวผมให้ดูนะมันเจาะ ก, กว้างอนาดที่สคนเน่ยขึ้นไปได้เลย อ, อ๋อโอเคอ่าถ้าดูจากตรงนี้นะดูจากตรงนี้นะเหมือนกับอ่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในห้องแต่ไม่น่าใช่ละเหมือนกับมีอะไรอยู่บนบนซ่า แล้วเขาพยายามเอาลงมาใช่ไหมใช่เอมื้นคาบเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเป็นคาบน้ําเหลืองคาบเลือดมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ไปตายอยู่บนนั้นใช่แล้วมันมีจุดถจะไปดู้อีกภาพหนึ่งมันจะเป็นภาพแต่ว่าผมถ่ายเฉลียงให้เห็นว่าดวงใหญ่ปุ๊บหักไปหน่อยมันจะเป็นดวงเล็กครับซึ่งถ้าใครเคยเห็นสภาพศพมาก่อนจะรู้ว่าคนที่ตายนานๆแล้วเวลาเป็นน้ำเหลืองเนี่ยอน้ําเหลืองมันจะออกตั้งแต่หัวจมูก แล้วก็ทั้งรูทวารครับครับไอจุดแล้วมันพอดีกันแล้วเกิดว่ามันพอดีเลยอีกดวงมันก็ประมาณขนาดคนนอนแล้วมันต้องเป็น<อ>มันให้เราคิดได้เยอะเลยนะพี่แจ้งพูด<อ>จริงเออแต่ภาพเนี้ยคือเป็นลักษณะคล้ายๆกับลักษณะเออขนาดคนนอนเลยนะใช่เออตอนแรกที่ผมวิเคราะห์คือนึก ว, ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในห้องนี้แล้วเขาเจาะฝ้าเพดานลงมาเพื่อที่โรยตัวละมาเอาเอาสมมติมีศพเอาศพออกไปแต่ไม่ใช่ละเราดูเห็นภาพนี้ถึงบางอ้อเลยว่า มันต้องมีอะไรอยู่บนซ่าบเฮดานแล้วเขาต้องอจเจาะซาบเฮดานเพื่อปีนขึ้นไปแล้วก็ไปเอาลงมาใช่อะไรสักอย่างที่อยู่บนนั้นนั่นเลยคะแต่ที่สําคัญคือการเจาะก็นขนา<อ>ที่ว่าสองคนรอดได้ถ้าผมเดาจากเหตุการณ์เข้ามาเป็นอย่างนั้นจริงจะต้องเจาะสำหรับคนที่ขึ้นไปโผลขึ้นมาครึ่งตัวแล้วไปดึงเอาคนอีกค น, นงลงมาได้ออแต่ที่ ข, าขานาดผมมองแล้วสองคนขึ้นได้เลยไม่เดี๋ยวนะที่สําคัญคือเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรลืมเลยเอ่า มันจะพูดอะไรลืมแล้วเอาตายและวสมองสมองพังหมดแล้วผมอ่านะครับอ่ะก็น่าจะเป็นเหมือนกับมีอะไรอยู่บนนั้นหรือเปล่าเรื่องห้องเนี่ยพี่แจ๊ผมเจอบ่อยมากอย่างเขาก่อนก็มีแต่ผมยังไม่เล่าพี่แจ๊คมันนิดเดียวผมก็เลยไม่อยากเล่าเลกล่วมาเราต่อให้ท้ายอย่างเงี้ยคือมันมีโรงแรมหนึ่งแถวๆที่ผมพักอยู่เนี่ยแล้วเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกับผมในเฟสแต่เขาไม่พูดยิงเราเขาเลยเขาเป็นเจ้าของโรงแรมเลยครับแล้วเขาบอกว่าห้องเขาเนี่ย ปิดตายมาแล้วสามปีเขายอมรับว่ามีเหตการคือผู้หญิงผู้ขอตายครับผู้อขอครับอะไรสักอย่างอยู่ใองัวเตียงอะไรผมจำไม่ได้แล้วครับก็มีคนมาอยู่แต่ไม่เคยถึงเที่ยงคืนเลยไม่เคยถึงครึค่งคืนเลยครับออกเขาเลยตัดสินใจปิดมาสามปีแลหละวันที่เขาให้ผมไปอยู่นะพี่แจเขาบอกกล้าอยู่ไหมคืนหนึ่งเนี่ยผมถามว่าบันทึกวีดีโอได้ไหมเขาบอกไม่ได้ถ้าถ่ายรูปได้นิดหน่อยออืผมก็เลยถ่ายรูปมา ครับผมอยู่ผมโยนอำทั้งคืนเลยพี่แจ๊คและผมก็เห็นคู่หินยืนมุมนู้นมุมเพราะเพราะเขาไม่ให้ผมอยู่ปิดไฟเขาไม่ให้ผมเปิดไฟครับมีการาท้าทายเขาผมเลยผรู้สึกว่าเฮ้ยอีห้องพวกเนี้ยทำโรงแรมทำอะไรเราไปนอนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีแค่บางที่แล้วนะผมว่ามันทุกที่แล้วนะเนี่ยโอ้ยแล้วคุณทิงต้องอยู่ห้องนี้นานแค่ไหนเนี่ยก็น่าจะทักระยะเลยนะครับคือไม่รู้เลยมอง เอ๊ะผมอ้าเมื่อกี้ผมได้พูดว่าทําไมถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่บนซ่าบเพดานทําไมเจ้าของตึกเขาไม่ยอมทําอะไรทําไมถึงปล่อยให้คราบมันไหลลงมาทําไมเขาไม่ทําความสะอาดหรือไม่ก็ไปซ่อมแค่ตรงนั้นทําไมทําไมไม่รื้อตรงเนี้ยแล้วซ่อมตรงนี้ไปด้วยถูกปะในเมื่อมันเห็นคราบวัดชัดขนาดเนี้ผมก็แต่ผมก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่ทําให้มันดูดีถ้าเรากบบิตตก อ, อยู่แล้วทำามาเห็นอย่างเงี้ยู ตัออกไปแล้วอะขนาดบงคนขึ้นได้อะทำไมไม่ต่ออกไปทั้งแต่เลยอย่างนั้นแล้วก็แปะใหม่แล้วจบเรื่องเฮ้ยคุณคิงมีอันหนึ่งที่จะพิสูจน์ได้ไอ้คราบที่มันไหลลงมาเนี่ยไม่รู้นะคุณคิงจะจะจ ะ, จะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าผมว่าถ้าเป็นเป็นกลิ่นอ่าหมายถึงว่าถ้าเป็นเลือดเป็นน้ำหนองจริงมันจะมีกลิ่นมีกลิ่นเลยอะ ผมว่าเอาคนบอกผมหลายคนเลยผมยังคิดอยู่ว่าจะดมดีไห้นะคือหมายถึงว่าเอาอเอาเวลาที่ชั่วครับซับน้ํานิดนึงแล้วแตะให้มันหนุดออกมาแล้วผมว่าสามารถดมได้คือถ้าดมแล้วมีกลิ่นนิดหนึ่งผมว่าคุณคิงออกเถอะแต่ถ้าเกิดไม่มีกลิ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นน้ําำมันอาจจะเป็นน้ําจะจากห้างสวีทสมาหลาแล้วถ้าดมแบบผู้ช่ยเลยโอโหเรียบร้อยแล้วออกหมดออกหมดเลย เป็นอย่างน้อยเนี่ยผมผมคิดว่าอย่างไรโดยผมนะอืมผมเชื่อว่าถึงผมยมไปถ้าใช่อ่ะอืมผมก็คงจะบอกเขาว่าขอทักระยะนะน่นเพว่เพื่อนมาอยู่ด้วยกันอช่ไหมน้อยอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้สบายใจคือแต่ผมช่วยภาวนาว่าขอให้มันเป็นแค่คาบน้ําโอเคคาบน้ําเนี่ยเวลาถ้ามันอยู่นานๆแล้วมันไหลลงมามันจะกลายเป็นสีอย่างเงี้ยสีออกสนิมสนิมแดงๆอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเกิดว่ามีกลิ่นอ่ะ อืมต้องลองอันนี้ต้องลองผมว่าลอยู่เลยเออลองได้เลยลองเถอะจะได้สบายใจแต่ผมช่วยภาวนาขอให้มันไม่มีกลิ่นเออขอให้กลิ่นเป็อยูนย์ลอขอให้วลูกอ๋อจริอจริงๆลองแล้วยังไงบอกด้วยนะคุณคีนาครับนะฮะแต่ขอยาให้มันไเลยขอให้มันเป็นแค่น้ําก็พอ นะฮะโอ้นี้มาพร้อมกับเรื่องของโรงเตี้ยมแดงคิงแอสโคตไม่เคยทําให้ผิดหวังนักเว้ยแล้วนีื่อี้คุดน่ากลัวเลยฟังลุ้นมากอ่ะเออนะในขอบคุณคุณคิงด้วยนะครับแล้วก็ขอให้นังสือกตุลเล่มนี้นะครับผมเป็นผีขายดีขายดีเลยนะจะได้ทำเล่มต่อไปกับคุณคิงด้วยนะครับโอเคผมจะราตัวกมาไปแล้วพี่เช่นเดียวกันครับคุณคิงครับ ่จเหมือนเดิมครับขอบพระคุณมากครับคุณคิงได้โอกาสหน้าผมเชื่อว่าเดี๋ยวมีอีกคุณคิงไม่เคยทำให้ผิดหวังมาเมื่อไหร่กิ้งการไม่เลยนะครับผมได้ครับคุณคิงขอบพระคุณครับครับผมปี่แจ็ ค, คสวัสดีครับ